ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกหนึกสิบการบัญญัติความสุขในพระพุทธศาสนาการเลือกนําข้อความตอนนี้มาแปลก็เพื่อชี้แจงหลักวิชาทางพระพุทธศาสนาที่แสดงว่าความสุขมีเป็นขั้นๆตั้งแต่ต่ําจนถึงสูงสุดถึงสิบขั้นคือความสุขในกามความสุขในรูปฌปานสี่ความสุขในอรูปฌานสี่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 หน้าใครหน้าพอใจเป็นรูปที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียงกลิ่นรสผลทพะคือสิ่งที่พึงถูกต้องได้ที่พึงรู้แจ้งทางหูจมูกลิ้นและกายอันน่าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจเป็นรูปที่รักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัหนนดนนน ด, ดูก่อนอ น, นุน นี้แหละคือการมคุณห้าดูก่อนอานนท์ความสุขกายสุขใจอันใดที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยการมคุณห้าเหล่านี้ความสุขกายสุขใจนี้เรียกว่าการมสุขดูก่อนอานนท์คนเหล่าใดพึงกล่าวว่าเขาย่อมสวยความสุขกายสุขใจอันมีอยู่นั้นนับเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยม เราย่อมไม่รับรู้คำกล่าวของคนเหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนอานน์เพราะยังมีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขนั้นดูก่อนอานน์ความสุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขจากกา ร, รมาสุขนั้นเป็นชนดูก่อนอานน์ภิกษุในพระธรรมวิ น, นัยนี้สงัดจากกาม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 ความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีกว่าความสุขในชานที่สามนั้นเป็นชไหนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะละสุขละทุกได้ละสุขกายทุกกายได้เพราะสมนัตคือสุขใจโทมนัสคือทุกใจดับไปในการก่อนคือสุขทุกดับไปตั้งแต่อยู่ในขณะแห่งอุปจาระเกือบจะถึงชานที่สี่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 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เพราะก้าวล่วงความกำหนดหมายในรูปหรือรู ป, ปรสัญญาด้วยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งความกำหนดหมายความกระทบกระทั่งหรือปฏิฆาสัญญาได้แก่ความกำหนดหมายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเมื่ออารมณ์ทั้งห้านี้ผ่านมาทางตาหูเป็นต้นเพราะไม่ทาไวในใจซึ่งสัญญาต่าง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 ชื่ออากาสานัญจาตนะนั้นเป็นชไหนดูก่อนอาน o ์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอรูปฌานชื่ออากาสานัญจาตนะด้วยประการทั้งปวงแล้วทำไว้ในใจว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เข้าสู่อรูปฌานชื่อวิญญาณนัญยาตนะอยู่คือมีวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์นี้แหละอาน o ์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 ดูก อ, อานนท์ความสุขอื่นที่ดีกว่าปรานีกว่าความสุขในอรูปฌานชื่อเนวสัญญาณาสัญญายตนะนั้นเป็นชนหะนดูก่อนอานนท์ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ก้าวล่วงอรูปฌานชื่อเนวสัญญาณาสัญญายตนะแล้วเข้าสู่สัญญาเวทยายตะนิโรธอยู่คือสมบัติที่ดับสัญญาและเวทนาเป็นสมบัติสูงสุด ที่พระอนาคามีกับพระอาหารหันต์เท่านั้นทำให้เกิดได้นี้แหละอ น, นุนคือความสุขอื่นที่ดีกว่าปราณีตกว่าความสุขนั้นสรุปความดูก่อนอา น, นุนมีฐานะอยู่ที่นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมกล่าวถึงสัญญาเวทายตนิโรธ ย่อมบัญญัติสัญญาเวทอิตะนิโรธในความสุขข้อนั้นคืออะไรกันข้อนั้นจะเป็นไปได้อย่างไรกันข้อความนี้หมายถึงสัญญาเวทอิตะนิโรธดับความจาดับความรู้สึกแล้วจะว่ามีความสุขได้อย่างไรในเมื่อไม่มีความรู้สึกดูก่อนอานนท์นักบวชเจ้าลทัทธิอื่นผู้กล่าวอย่างนี้